บทที 44. Light, ่44เมื่อรถเข้ามาจอดยังลานวัดไทยสวัสดีคณะผู and <ai> and ้แสวงบุญก็พากลงจากรถและรอรับสิ่งของสัมภาระของตนที่โชเฟอร์และเด็กประจำรถช่วยกันลำเลียงลงมาจากหลังคาได้ของกันครบแล้วผู้นำทัวร์ซึ่งรับกุญแจห้องมาจากเจ้าหน้าที่ของวัด ก็แจกลูกกุญแจเพื่อให้ทุกคนเข้าห้องพักไปเตรียมอาบน้ําอาบท่าให้สบายเนื้อสบายตัวจากนั้นจะได้ออกมารับประทานอาหารขํายกเว้นพระภิกษุและแม่ชีที่ต้องเปลี่ยนจากอาหารเป็นน้ําปานะระหว่างที่คณะผู้สแสวงบุญสงน้ําและอาบน้ํากันอยู่หัวหน้าทัวร์กับแม่ครัวก็ช่วยกันหุงหาอาหารโดยมีเจ้าหน้าที่ของวัดซึ่งเป็นคนอินเดียเป็นลูกมือ รับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระมกุเทศก็นําคณะผู้สแสวงบุญเข้าไปในโบสถ์เพื่อทาวัดสวดมนต์และทอดพัาป่าเจ้าอาวาสวัดไทยสวัสดชื่อพระมหาประเสริฐเป็นคนเชื้อสายขเขมรมีความรู้เรื่องพุทธประวัติเป็นอย่างดีอายุอนามอยู่ระหว่างหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับท่านพระครู คืออ่อนกว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองแต่แกกว่าท่านพระครูเนื่องจากอยู่ในวัยใกล้เคียงกันภิกษุสามรูปจึงรู้สึกถูกอัธยาศัยกันเป็นพิเศษพระมกุเทศแนะนำประวัติของภิกษุเชื้อสายขเขมรอย่างไม่เป็นทางการว่าพระมหาประเสริฐหรือที่คนเรียกกันติดปากว่าหลวงพ่อหรือีเสริท่านเชี่ยวชาญเรื่องวัดพระเชตวัน และก็เมืองสาวัตถีมากเรียกว่าบรรยายได้เป็นฉากๆจนคนฟังมองเห็นภาพท่านเก่งขนาดหลับตาบรรยายก็ยังได้พรุ่งนี้พระคุณเจ้าและญาติโยมจะได้เห็นว่าท่านเก่งขนาดไหนและทำไมหลวงพ่อจึงชื่อฤอษีเซิร์ดหลวงพ่อเคยบวชเป็นฤๅษีมาก่อนละครับพระคุณทศถามอย่างเกรงใจหากก็อยากจะรู้ ชื่อนี้มีที่มาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนนี้เราทำวัดสวดมนต์แล้วก็ทอดผ้าป่า ก, ก่อนหลังจากนั้นค่อยเล่าพระเจริญเป็นผู้ตอบหลวงพ่อฤาษีเสด็จนำคณะผู้สแสวงบุญทำวัดสวดมนต์ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นจึงนั่งภาวนาอีกครึ่งชั่วโมงและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไม่มีการเดินจงกรมเพราะสถานที่ไม่อานวย ลำดับสุดท้ายคือการทอดผ้าป่าบริจาคปัจจัยบำรุงวัดสตรีที่จ้างค่าสามีรู้สึกใจคอไม่ปกติตั้งแต่เห็นหลวงพ่อหรือสีเสดครั้งแรกหลอนเกิดความรู้สึกประหลาดอยากเข้าไปกอดท่านเหมือนว่าท่านเป็นพ่อบังเกิดกล้าวถ้าว่ามีอาจทำเช่นนั้นได้ด้วยว่าท่านเป็นบรรพชิตหลอนได้พยายามทำวัดสวดมนต์อย่างมีสติ ครั้นถึงตอนนั่งภาวนาหล่อนก็ระลึกนึกย้อนเหตุการณ์ในอดีตชาติได้หล่อนไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระอย่างจริงจังสักแต่ว่าทําตามๆกันไปอย่างงมงายครั้นได้มาปฏิบัติอย่างจริงจังก็ระลึกชาติได้ว่าหล่อนเคยเป็นลูกชายหลวงพ่อฤาษีเสดเมื่อ300ปีที่แล้วเวลานั้นหลวงพ่อฤาษีเสดเป็นกษัตริย์เขมร หล่อนเป็นโอรสองค์ใหญ่กระลึกได้เพียงเท่านี้ก็หมดเวลาของการภาวนาหล่อนเชื่อสนิทว่าสิ่งที่หล่อนรู้และเห็นขณะนั่งภาวนานั้นเป็นความจริงหล่อนเคยเป็นโอรสของหลวงพ่อทันทีที่พิธีทอดผ้าป่าเสร็จสิ้นลงเสียงร้องไห้โฮโฮก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังญาติโยมที่นั่งด้านหน้าพากันหันหลังไปมอง ภิกษุก้ารูปไม่จำเป็นต้องหันเพราะนั่งหันหน้ามาทางญาติโยมอยู่แล้วโยมเป็นอะไรไปพระมคุเทศถามสตรีที่ร้องไห้แทนการตอบหล่อนยิ่งตะเบงเสียงร้องดังขึ้นจนญาติโยมยกเว้นเท่าแก่เสียงคิดว่าหล่อนถูกผีเข้าส่วนบุรุษวัยเจ็สคิดว่าหล่อนจะต้องมีอะไรกระทบกระเทือนใจอย่างแรง จนต้องระเบิดเสียงร้องออกมาสตรีที่นั่งติดกันเอามือโอบไหลหลอนไว้ในลักษณะปลอบขวัญท่านพระครูวานเห็นหนอช่วยตรวจสอบโดยเร็วพลันและรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้หล่อนร้องไห้รู้แล้วท่านก็ได้แต่นิ่งรอดูเหตุการณ์อยู่โยมขยับเข้ามาข้างหน้าสิร้องไห้ทำไม ญาติโยมช่วยเหลีกทางด้วยพระเจริญสัง่งเมื่อญาติโยมเบี่ยงตัวหลบให้หล่อนจึงครานอย่างเ ร, เร็วๆไปซบหน้าร้องไห้กล้ากลวนอยู่ตรงที่หลวงพ่อฤสีเสด็จนั่งภิกษุวัย6กรู้ตั้งแต่เมื่อตอนเช้ามืดว่าจะได้พบลูกชายในอดีตชาติจึงพูดด้วยเสียงแผ่วเบา ว, ว่าเป็นอะไรโยมอย่าร้องไห้มีอะไรก็พูดออกมา ไม่ใช่โยมหนูเป็นลูกชายหลวงพ่อสตรีนั้นตอบด้วยเสียงปนเสะอื่นโยมก็ถูกผีแขกเข้าหรือครับหลวงพ่อมีเสียงถามมาจากข้างหลังผีแขกเข้าก็ต้องพูดภาษาแขกสินี่พูดภาษาไทยต้องเป็นผีไทยเข้าแม่จีปวนขานสตรีนั้นจึงหันหน้ามาบอกว่าไม่ใช่ผีแขกหรือผีไทยอะไร ที่ฉันร้องไห้เพราะได้มาเจอพ่อฉันหลวงพ่อฤศีเสดเป็นพ่อฉันหลอนหยุดร้องไห้เพื่อชี้แจงสาเหตุที่ต้องร้องไห้เสร็จแล้วจึงร้องต่อยุ่งละเซหลวงพ่อไปแอบมีลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไรพระมกุเทศถามทีเล่นทีจริง พูดอย่างนั้นบาปกรรมเปล่าเปล่าฉันไม่ได้เป็นลูกหลวงพ่อในชาตินี้แต่เป็นในชาติก่อนเมื่อสามร้อยปีมาแล้วสตรีนั้นต่อว่าพระมกุฏเทศเมื่อความโกรธ้ามาแทนที่ความโศกหล่อนจึงหยุดร้องไห้โยมรู้ได้อย่างไรมีอะไรมาพิสูจน์สตรีนั้นจึงเล่าเรื่องหล่อนรู้ตอนนั่งภาวนา ด้วยเสียงที่ได้ยินกันท่วนว่าจริงหระอครับหลวงพ่อพระเจริญถามท่านพระครูด้วยมั่นใจว่าท่านจะต้องรู้มันก็เป็นได้ท่านพระครูตอบแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณเพราะถ้าท่านตอบว่าจริงผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้ก็คิดว่าท่านงมงายแต่ถ้าตอบว่าไม่จริงก็จะกลายเป็นมุสาวาท แล้วหลวงพ่อยอมรับเขาเป็นลูกหรือเปล่าจ๊ะแม่ชีป่วนถามพลางคิดไกลออกไปว่าต้นอาจจะเคยเป็นภรยาท่านในอดีตชาติก็ได้หลวงพ่อฤสีเสดรู้ว่าแม่ชีคิดอย่างไรจึงพูดด้วยเสียงปกติว่าเมื่อตอนตีสีวันนี้อาตมานั่งภาวนาสติบอกว่า ลูกชายในอดีตเมื่อ300ปีก่อนจะมาที่วัดแล้วอาตมาก็เห็นหน้าโยมในนิมิตเห็นแม่ชีด้วยชาตินั้นแม่ชีเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของลูกชายอาตมาท่านตั้งใจบอกแม่ชีทางอ้อมว่าแม่ชีไม่ได้เป็นภรยาท่านไม่ว่าชาติก่อนหรือว่าชาติไหน เรื่องการเวียนไหวาตายเกิดก็มีจริงนะสิครับพระรสุกขลพูดขึ้นอ้าวท่านทําไมถึงพูดอย่างนั้นละ่ะนี่ถ้าเป็นโยมพูดผมก็ไม่แปลกใจเลยแต่นี่พระพูดผมคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้หลวงพ่อฤศีเสดพูดเสียงตําหนิทําไมล่ะครับพระกำโยมคิดเหมือนกันได้ผมไม่เห็นว่าจะแปลกตรงไหน พระหนุมยังไม่รู้ถึงความผิดของตนผมเสียใจนะที่ท่านพูดอย่างนี้ท่านมาบวชเพื่ออุทิศต่อพระาศาสนาหรือบวชเพื่ออะไรกันแน่ที่ผมมาบวชเพราะไม่ชอบทำนาครับแถวบ้านผมถ้าใครขี้เกียจทำนาก็จะพากันมาบวชพระรสุขคนตอบตามความเป็นจริงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองผมไม่แปลกใจแล้ว ท่านไม่รู้กระทั่งว่าการเวียน่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่เพราะท่านไม่ได้ตั้งใจมาบวชเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัถีตําหนิหลวงพ่อวัดดอนเมืองรู้สึกร้อนตัวเพราะท่านเองก็ไม่ได้ตั้งใจมาบวชเพราะอกหักรักร้าวจึงมาพึ่งพระศาสนาผมว่าไม่ตั้งใจบวชไม่เป็นไร แต่เมื่อบวชแล้วต้องตั้งใจทำหน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของนักบวชในพระพุทธศาสนาคือศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมผมเองแต่แรกก็ไม่ได้ตั้งใจมาบวชแต่เมื่อบวชแล้วผมก็ทำหน้าที่ของบรรพชิตได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องท่านพระครูรู้ว่าพระรสุขคนยังไม่รู้สาเหตุที่ถูกหลวงพ่อหรือศีรษะตาหนิ จึงต้องพูดให้รู้ท่านพูดกับพระนมว่าท่านยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเหตุใดหลวงพ่อหรือศีเสดถึงตาหนิท่านผมจะบอกให้ก็ได้การที่ท่านสงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นกับท่านไม่มีศรัทธาในคำที่ทรงสอนของพระพุทธองค์โดยเพราะตถาคตโพธิศัทธาท่านจำไม่ได้หรือ เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้อนุตรัสสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงบรรลุวิชาสามข้อแรกของวิชาสามคือบุปเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าความรู้ทำให้ละลึกชาติห้นหลังได้คือละลึกชาติถอยหลังเข้าไปได้ตั้งแต่ชาติหนึ่งสองชาติจนหลายๆกับว่าในชาติที่นั้นเท่านั้น ได้มีชื่อโคตมีผิวพันมีอาหารเป็นอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกเป็นอย่างนั้นมีอายุเท่านั้นจุติจากชาตินั้นได้อุบัตในชาติโนนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจึงได้มาเกิดในชาตินี้ท่านไม่ทราบข้อนี้หรอกหรือตอนอยู่ที่พุทธคยาพระมกุฏเทศก็ได้บรรยายแล้วท่านไปอยู่เสียที่ไหนถึงไม่รู้ ท่านพระครูพูดเสียงตำํำหนิท่านจะไม่ยอมให้พระรสุขคนต้องอยู่ในข่ายมิจฉาทิฏฐิอีกต่อไปเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมมีนรกเป็นที่ไปเพราะผู้มีความเห็นผิดจากไม่ทำชั่วย่อมไม่มีสมภารวัดป่ามะม่วงไม่อยากเห็นเพื่อนบรรพชิตหรือว่าญาติโยมคนใดมีนรกเป็นที่ไปจึงต้องสอนด้วยเมตตา พระรสสุขคนรู้สึกอับอายขายหน้าท่านอายสตรีสาวสวยเสียงใสที่ชื่อสายใหญ่รักท่าทางหล่อนจะเข้าใจและทราบซึ้งในพระธรรมคำสอนมากกว่าตัวท่านเสิอีกเวลาที่พระมกุเทศหรือท่านพระครูบรรยายหล่อนก็ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจท่านเสอีกที่หลับบ้างมองออกไปนอกรถบ้างถึงจะได้ยินเพราะเสียงมากระทบหู หากก็ไม่เข้าไปถึงจิตใจจึงจำไม่ได้และไม่เกิดศรัทธาต่อแต่นี้ไปท่านเห็ิจะต้องตั้งใจฟังจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าอย่างนี้พระรสุขคนเป็นคนดีท่านจึงคิดที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะโบราณท่านสอนไว้คนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวท่านจะไม่ยอมแก้ตัวเป็นอันขาด สาเหตุที่ท่านเป็นเช่นนี้เพราะได้ตั้งความดำริไว้ในทางที่ผิดคือคิดว่าการมาครั้งนี้เป็นการมาเที่ยวมากกว่าที่จะมาสแสวงบุญเมื่อไม่สแสวงบุญก็เลยไม่พบบุญเหมือนคนอื่นๆในคณะได้พบแต่นี้ไปท่านจะตั้งใจตั้งความดำริไว้ในทางที่ชอบจะไม่เป็นพระดด้วยศักแต่ว่า ผมผ้าเหลืองอีกต่อไปพระคุณเจ้าที่เคารพกระผมขออโหสิกรรมท่านคุกข่าวประนมมือแล้วกราบพระพิสุทั้งแปดรูปสามครั้งกระผมขอปฏิญญาณว่าต่อแต่นี้ไปกระผมจะทำหน้าที่ของพระให้บริบูรณ์ จะศึกษาพระธรรมปฏิบัติธรรมและสั่งสอนธรรมเหมือนที่พระคุณเจ้าทั้งหลายทำอยู่ท่านรู้ว่าพระธวัตรกับพระคุณทศก็คิดอย่างเดียวกับท่านหากทั้งสองมีบุญก็คงจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมได้เช่นเดียวกันหลวงพ่อคะหนู่กรุ้มใจหลวงพ่อช่วยหนูด้วยเสียงสตรีคนเดิมคล่ำครวญ แล้วหล่อนก็เริ่มร้องไห้อีกครั้งลุงพ่อฤาษีเสดจึงปลอบใจหญิงสาวผู้เป็นโอรสในอดีตชาติว่าไม่เป็นไรนะโยมขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานไม่ต้องไปสนใจสามีเขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาอย่าเอามาเป็นอารมณ์ตัดไปเลยเดี๋ยวเขาก็ตายถ้าเขาไม่ตายเราก็ตาย ต้องพลัดพรากจากกันไปเม่วันใดก็วันหนึง่งฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจให้สนใจมรรคผลดีกว่าจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนิยมนะญาติโยมก็เหมือนกันอย่าไปกังวลติดข้องอยู่กับเรื่องทางโลกขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานใครยังไม่เคยปฏิบัติก็ให้ไปเรียนกับพระครูเจริญ ขันซ้อนเก่งเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัดถีรู้ว่าสมพานวัดป่ามะม่วงท่านเป็นพระวิปัสนาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และจะเป็นผู้ที่รู้จักไปทั่วโลกในอีกสามปีข้างหน้าที่รู้เพราะท่านได้อบรมกายอบรมจิตมาเป็นเวลาหลายสิปีนับแต่มาอยู่ที่แดนพุทธภูมินี้พระอาจารย์ครับผมอยากทราบว่า ทำไมหลวงพ่อวัดไทยเสาวัดถีจึงชื่อฤสีเสดพระกุณฑลถามพระมกุเทศด้วยคำถามเดิมหลวงพ่อจะเล่าเองหรือว่าจะให้ผมเล่าดีครับพระเจริญถามหลวงพ่อฤศีเสดท่านเล่าก็แล้วกันติดขัดตรงไหนคอยถามผมเมื่อเจ้าอาวาสวัดไทยเสาวัีถีอนุญาตพระมกุเทศจึงเล่า ว, ว่า คือตอนท่านมาอินเดียใหม่ๆท่านก็อยากรู้ว่าพวกโยคีและพวกฤาษีในอินเดียเขาฝึกสมาธิกันอย่างไรถึงได้ทนต่อความร้อนความหนาวของอากาศได้เช่นพวกโยคีพวกฤาษีที่อยู่แถบเชิงเขาฮิมาลัยเขาไม่นุ่งอะไรเลยแต่สามารถนั่งสมาธิอยู่บนกองหิมะได้โดยไม่มีทีท่าว่าหนาวเหน็บเจ็บปวดหรือว่าทรมานแต่ประการใด หลวงพ่อท่านก็อยากทำแบบนั้นบ้างจึงทุดงไปตามป่าเชิงเขาหิมาลายแล้วท่านทำได้อย่างพวกฤษีหรือโยคีไหมครับพระขุนทดถามท่านใจเย็นเยนอย่าเพิ่งถามผมกําลังจะเล่าพระมะกุเทศปรามแล้จึงเล่าต่อท่านบอกว่าหนาวมากหนาวจนทนไม่ไหวเลยต้องไปขอ กอดฤศีที่นั่งขัดสมาธิอยู่เพื่อจะได้ไออุ่นจากกายของฤศีแล้วฤศีไม่ว่าหรอครับพระทวัตถามบ้างฤศีเข้าฌานอยู่ตัวแข็งไม่รับรู้อะไรตัวยังมีไออุ่นอยู่ท่านก็นั่งกอดฤศีอยู่หลายวันทั้งหนาวทั้งหิวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดพอค่อยชินกับอากาศหนาวท่านก็รีบเดินทางกลับวัด แล้วก็มาเล่าให้ลูกวัดฟังคือพระสองรูปที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านถือโอกาสแนะนำพระวัดไทยสาวัถีสองรูปนี่รูปนี้มาจากเชียงใหม่ส่วนอีกรูปมาจากอุดรจะมาเรียนต่อปริญญาเอกหลวงพ่อขอให้ช่วยงานที่วัดก่อนถ้ามีพระจากเมืองไทยมาเปลี่ยนค่อยไปเรียนได้หลวงพ่อฤศีเสดจถือโอกาสสรุปว่า ตั้งแต่นั้นมาทั้งพระทั้งญาติโยมที่รู้เรื่องนี้ก็เลยเรียกอาตมาว่าฤาษีเซิดอาตมาก็เลิกคิดที่จะแข่งกับพวกฤาษีเรื่องชาญสมบัติเปลี่ยนมาเจริญกรรมาฐานแทนหลวงพ่อปฏิบัติแนวไหนครับพระรสสุคนถามผมเจริญสติปัฏฐานสี่ที่เลือกสติปัฏฐานสี่ก็เพราะ พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นความสำคัญของสติปัฏฐานสี่โดยในว่ามนุษย์ทั้งหลายสามารถก้าวล่วงไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยทางสายเดียวเท่านั้นคือการเจริญสติปัฏฐานสี่พระองค์ตรัสเป็นภาษาบาลีว่าอย่างไรจ๊ะแม่ชีป่วนต้องการทดสอบเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัสถีว่าจะเก่งเท่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงหรือไม่ แม่ชีต้องการทดสอบอาตมาใช่ไหมเอาอย่างนี้ให้แม่ชีว่ามาก่อนแล้วอาตมาจะบอกว่าถูกหรือผิดถ้าถูกจะบอกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรท่านทดสอบแม่ชีบ้างฉันจำไม่ได้หรอกจ้ะ จะคุณโชดกท่านเคยว่าให้ฟังหลายครั้งฉันกอดจำได้แต่คำแรกว่าเอกายโนหนอกนั้นจำไม่ได้แม่ชีสารภาพถ้าอย่างนั้นเกิดอาตมาว่าผิดแม่ชีจะรู้ได้อย่างไรถึงฉันไม่รู้หลวงพ่อจเจริญท่านก็รู้แม่ชีวัยห0สิมั่นใจในภูมิรู้ของท่านพระครู ถ้าอย่างนั้นอาตามาจะว่าให้ฟังแล้วท่านจึงได้อัญเชิญพระพุทธพจน์มาดังนี้เอกายโนอายังพิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมาติกมายะทุกขโทมณัสนังอตัตถังขมายะยายาสะอธิคมายะนิพพานะ สัจฉิกิริยายะยาะติทางจัตตาโรสติปัฏฐานาแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของลาวสัตว์เพื่อล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับศู์แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุทรทมที่ถูกต้องเพื่อทำให้แจงซึ่งพระนิพพาน หนทางนี้คือสติปัฏฐานสีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไรแม่ชีถามอีกเล่มที่สิบก็มีเล่มที่สิบสองก็ ม, ม, กมีส่วนข้อและหน้าอัตมาจำไม่ได้ท่านรีบบอกเพราะรู้ว่าแม่ชีจะต้องถามต่อหลวงพ่อครับแบบนี้เราจะพูดได้ไหมครับว่า พวกฤาษีพวกโยคีเก่งกว่าพระสงฆ์เพราะท่านเหล่านั้นก็สามารถอดทนต่อความร้อนความหนาวได้พระมกุฎเทพถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองถ้าเก่งก็หมายถึงสามารถทนต่อความร้อนความหนาวได้พวกฤาษีโยคีก็เก่งกว่าแต่ผมคิดว่าในคําทรงสอนของพระพุทธองค์เก่งน่าจะหมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติธรรมจนสำเร็จเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูงสุดขยายความก็คือถึงพวกฤาษีโยคียจะสำเร็จฌานได้ฤทธิ์อย่างไรก็ตามแต่ในเมื่อยังตัดกิเลสทำลายสังโยชน์ไม่ได้ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่การเจริญสติปัฏฐานสีทำให้บรรลุธรรม ถ้าถึงขั้นอรหัตผลก็สามารถตัดกิเลสทำลายสังโยชน์ได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายวกวนอยู่ในสังสารทุกข์อีกต่อไปแบบนี้พระสงฆ์ที่บรรลุธรรมก็เก่งกว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบค่อนข้างละเอียดหลวงพ่อครับเมื่อกี้พระอาจารย์บอกหลวงพ่อบรรยายเก่ง ผมอยากขอความกรุณาให้หลวงพ่อช่วยบรรยายพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับการละลึกชาติของพระพุทธองค์ได้ไหมครับพระรถสุคนพูดกับหลวงพ่อฤศีเสดผมหนะบรรยายได้แต่เกรงว่าญาติโยมเขาจะง่วงนะซิไปพักผ่อนกันก่อนไม่ดีกว่าหรือพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นี่ก็ห้าทุ่มแล้วผมยังไม่ง่วงหรอกครับหรือว่าคนอื่นว่าอย่างไร ผมว่าไหนๆก็มาแล้วก็กอบโกยความรู้ไปให้ได้มากที่สุดเอาอย่างนี้ใครคิดว่าจะพักผ่อนขอให้ยกมือขึ้นผมขอฟังเสียงข้างมากเท่าแก่เสงสาวเสียงเมื่อไม่มีผู้ใด ย, ยกมือจึงอาราธนาเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัถทีให้บรรยายต่อถ้าเช่นนั้น อาตามาจะขอเล่าในส่วนที่อาตามาประทับใจมากที่สุดก็แล้วกันหลวงพ่อฤาษีเสด็จกล่าวแล้วจึงบรรยายว่าหลังจากตรัสรู้แล้วพระบรมศา ส, สดาผู้เป็นบรมครูของพวกเราก็ได้บำเพ็ญพุทธกิจตลอด45พันษาจวบจนเสด็จดับคันทปรินิ พ, พานเมื่อพระชนมายุ8ปพันษา พระองค์ได้เสด็จจาริกไปประกาศพระศาสนายังแคว้นต่างๆทั่วดินแดนชมพูทวีปเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาพระองค์ก่อประทับจำพรรษาในดินแดนนั้นๆแต่ที่ที่พระองค์ประทับจำพรรษามากที่สุดก็คือพระนครสาวัตถีแห่งนี้โดยประทับที่พระเชตวันอารามของอนาทบินทิกะเศรษฐีติดสร้างถวาย19พรรษา ประทับที่วัดบุรพารามที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวาย6พันษารวมประทับที่พระนครสาวัตถีแคว้นโกศลก็เป็นเวลานานถึง25า้าพันษาประทับติดต่อกันเลยเหรือครับพระกุณฑลถามผมหมายถึงเฉพาะในพันษาแต่พอออกพันษาพระองค์ก่อจาริกไปประกาศพระศาสนา เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาก็เสด็จมาประทับจำพรรษาที่พระเชตวันสลับกับวัดบุรพารามมีใช่ประทับอยู่ตลอดทั้งปีและถ้าประทับวัดใดวัดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระเชตวันหรือว่าวัดบุรพารามก็จะประทับหน้าที่แห่งนั้นจนถึงฤดูออกพรรษาเจ้าอาวาสวัดไทยสาวัดถีอธิบายแล้วจึงบรรยายต่อ